อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมารับรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นประจําทุกเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการธรรมารับรุณมารับ ร, รุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นประโยชน์ความรู้กันเป็นประจําค่ะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27ตุลาคมค่ะเป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน11นะคะปีมะโรงเช้า ว, วันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันดีละคะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เดชันจะได้มีโอกาสกราบ นิมนต์พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหริกเล้นตามพุทธโอดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหาโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะมาชี้แจงพูดคุยกันแบบเป็นกันเองเลยนะคะในทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์รวมทั้งก็จะตอบ ป, ปัญหาธรรมะต่างๆซึ่ง มีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านอาจจะรับฟังจากทางรายการหรือว่าเกิดความาสงสัยขึ้นเองก็จะถามกันมาในรายการนะคะพบกันในเช้าวันเสาร์นี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังมากราบน้ัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโพร้อมกันแล้วเราก็จะมาเป็นช่วงของการอตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางพระอาจารย์นะคะกราบน้ำมศการเจ้าค่าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะ วันนี้ก็อยากจะขอนําคําถามที่มีท่านที่ใช้นามว่าคุณรัตนาวดีชุติกุลนะเจ้าคะใช่ค่าทางคุณนิปุนะได้ถามมาทางเว็บไซต์ของทางพระจานทร์นะเจ้าคะมากราบเรียนถามก็คงเป็นเรื่องที่ทางคุณรัตนาวดีเริ่มที่คุณรัตนาวดีนะเจ้าคะ<ช>ได้ฟังรายการของเราในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าคะ่ะใช่แล้วก็ได้ฟังพระจันทร์ไพบูลได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการนอนตื่นสาย นะเจ้าคะแล้วก็เขียนมาบอกว่าพอนอนตื่นสายเนี่ยแต่จะต้องตื่นขึ้นมาตีสามตีสีมารอบรู้เรื่องทุกข์ในกรณีนี้ก็คุณรัตนวณิก็ถามว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรจึงได้เบื่อหน่ายจนสามารถเบื่อหน่ายแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างที่พระาอาจารย์ได้เคยสกักษาไปในวันอาทิตย์ที่ผ่าน <Yeah. S 1> มานะเจ้าคะ เจ้าค่ะ<อ>ก็อยากจะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อตามที่พระอาจารย์ได้บรรยายไว้เพื่อเป็นแนวทางในการคิดเรื่องอื่นๆก็กลับนมอสการมาอย่างนี้เจ้าค่ะก็กลับนิมนต์พระอาจารย์ไพบุตรพิพุนโนได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็สักกชาเลยเจ้าค่านิมนต์เจ้าค่ะอันนี้ต้องขอเท้าความนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสัปดาหธิรันที่เราได้พูดถึงว่าเรื่องของความทุกข์เนี่ยคือหลายๆคนบอกให้ละทุกข์ละทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหม จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจให้ถูกที่พระเจ้าสอนแต่พระเจ้าสอนให้ว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้แตสิ่งที่ควรละเนี่ยคือเจ้าตัญหาทั้งหากแตตัญหาเราต้องละทุกเราต้องกําหนดรู้ในหลายๆกรณีเนี่ยเราพยายามที่จะวางจะวางเอ้ยวางไม่ได้ทีจนกระทั่งคําว่าปล่อยวางเนี่ยใช้กันเฟือจนไปหมดแล้ว เ, เห็นนี่ก็ปล่อยวางสิอย่าไปสนใจสิปล่อยวางสิเฮ้ยแลา<จ>มันจะปล่อยวางยังไงอะ เหรอไหมสิ่งที่เราต้องวางเนี่ยไม่ใช่ความทุกข์นะคุณเตือนใจแต่สิ่งที่เราต้องวางเนี่ยคือตัณหาเนีเราต้องปล่อยวางเนีเราต้องละตัณหาพอเราละตัณหาได้เนี่ยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคุณเอาแก้วน้ำเนี่ยทากาวติดกับมือแล้วคุณจะเครื่องแก้วน้ําไปเนี่ยมันไม่ติดอ่ะมันไม่ไปอ่ะมันติดกับมืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพยายามที่จะวางขันห้าคือเจ้าตัวทุกข์เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงความทุกข์ในชีวิตของเรามันไม่มีอะไรใหม่เลยนะนอกจากขันห้าอย่างเดียวนใจ เพราะะนั้นขันห้าขันหน้ขันหน้าเนี่ยคือตัวทุกข์ในที่มันติดกับเราอยู่เนีเราจะแกะมันออกได้เนี่ยคุณต้องละตัณหาตรงนี้เพราะเราต้องแสะกาวตรงนี้ออกซะก่อนแล้วคุณถึงจะเคลี่ยงแก้วน้ำเนี่ยออกไปได้ในที่จะมาพูดถึงคือเออเราพยายามที่จะทําความเข้าใจความทุกข์ดีกว่าว่าความทุกข์ในชีวิตเรามียังไงบ้างก็พูดถึงเจ็แง่มุมใช่ไหมที่ว่าตั้งแต่มาว่าเออทุกข์มีให้เกิดจากอะไรอย่างเช่นว่าถ้าเราสมมุติมีความ มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยแตเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยความรู้สึกนี้มันเกิดจากอะไรแต่เราผลของมันเป็นยังไงแต่เราก็ข้อดีมันคืออะไรข้อเสียมันคืออะไระเราเข้าใจตรงนี้นต่เราก็ได้พูดถึงเรื่องของความง่วงใช่ไหมอย่างบวเป็นพระสงฆ์เนี่ยคุณเตยใจเอ้ยตีสามตีสี่นี้มันต้องลุกนะนะเจ้าค่ะอ่าถ้ามันนอนให้ตะวันโด่งอยู่แล้วเราเพิ่งจะลุกนี้ไม่ได้เรื่องอดกินข้าวเลยนะอืมเจ้าค่ะต้องไปบินธบาษนะใช่ใช่เจ้าค่ะถ้าไม่ไปก็อดกินละ่ะ S <S ทีนี้ <S <S ทีนี้มันก็ต้องลุกอะ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะเอาตัวอย่างเนี้ยมามายกตัวอย่างให้ท่านฟังฟังนั่นคุณรัตนาบดีก็สงสัยตรงนี้ประเดียวว่าเราเราพูดเฉยๆไม่ได้ว่ายกตัวอย่างไปถึงร ะ, ระบบขณะจิตว่าเอ้ยตอนที่เราลุกเนี่ยเราทํายังไงนะอันนี้ก็เลยจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟัง <S <S อันดับแรกก่อนอทุกทุกคนเนี่ยคิดว่าระหว่างที่ตั้งแต่นอนไปคุณอาจจะนอนสามทุ่มสี 4, ทมทม่ทุ่มหทุ่มเที่ยงคืนหรือตีหนก็แล้วแต่นะจนกระทั่งเ อ, อ ระหว่างคืนตอนที่สมมติเราตั้งใจว่าเราจะตื่นสักตีห้เงี้ยหรือตีสีก็ตามอย่างเงี้ยเราตื่นตีห้านี้คุณต้องมาฟังรายการธรรมารับรู้แล้วนะบางคนอาจจะลุกกันแต่ตีสีครึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเดี๋ย่ะพอนาฬิกามันดังละตีสีครึง่งติตีตๆตีขึ้นมายเงี้ยบางคนก็เป็นกริ้งขึ้นมายนะอย่างเงี้ยนะถามว่าก่อนที่เวลาที่คุณจะตั้งเนี่ยบางคนก็แล้วแต่นะบางคนเนี่ยรู้สึกตัวตั้งแต่ก่อนนาฬิกาดังบางคนนี่ตื่นมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะหรือตื่นก่อนเวลาที่นาฬิกาตััั้้งงงายช่วโมมก็ี นะคือหมายความว่ารู้สึกตัวขึ้นมานะคือรู้สึกตัวระหว่างกลางคืนเนี่ยมันเป็นไปได้แน่นอนแล้วคือมันมีอ่ะยิ่งเฉพาะอายุมากๆขึ้นเนี่ยนะหลับมันไม่ได้หลับสนิทด้วยนะอาจจะรู้สึกตัวกลางดึกขึ้นมานะเอานี่มันตีสองเองนี่นะฉันตื่นขึ้นมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะน ก, ก็นอนต่อไปไอ้การตื่นตรงนี้เนี่ยบางคนก็มีสติสัมปชัญญะมากคือรู้สึกตัวแบบว่าลืมตาผางขึ้นมาเลยแต่บางคนก็สลึมสลอยอยู่ก็ก็แล้วแต่ ที่ต้องทําความเข้าใจคือว่าสมมุติเวลาที่เราต้องการจะตื่นในเวลานี้เราต้องการจะตื่นตีสีเป็นต้ น, น, นตีสี่แล้วการาจะตื่นเนี่ยพอเราตื่นมาเนี่ยมันจะมีอยู่มีอยู่สแบบคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยคุณรู้สึกตัวขึ้นเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยยังไม่ลุกนะยังไม่ลุกนะคุณรู้สึกตัวคุณนอนอยู่บนที่นอนเนี่ยเราอาจจะมีความงงๆว่า เ, เราอยู่ที่ไหนตื่นมาวันนี้มันวันอะไรจะต้องทําอะไรต่อไป ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วนะบางทีมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างเด็กน้อยอถ้าห้าขวบหกขวบเนี่ยบางทีตื่นมาไม่เห็นใครเนี่ยคุณจะร้องไห้เลยนะเด็กอะ่ะอันนี้โยมเป็นเหมือนกันสมัยดึกเด็กนู่นนะนะนฉั น, แ, น, น, นแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพ่อแม่ไปไหนแล้วนี่ใครมาอยู่ห้องนี้จําไม่ได้ไม่ได้เลยนะลหลายๆคนก็เป็นด้วยแม้แต่ผู้ใหญ่ด้วยซ้ําใำพวกเดียเฉพาะที่ชอบนอนกลางวันเนี่ยอบ่ายสองบ่ายสามไปนอน นะตื่นมาทีสี่โมงให้มันเช้าหรือมันเย็นเอ้ยฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันกว่าจะรวบรวมสติได้ในตั้งสี่ห้านาทีต่อไปนี่คือกรณีที่หนะนึ่งะนีะ่คือกรณีที่หนึ่งเ อ, อ่อหรือกรณีที่สองนะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โมันเหนื่อยเหลือเกินมันเมื่อยเหลือเกินมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยอันนี้มีน ะ, ะ, ค, ะคือมีทุกขเวทนาว่างเถอะนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะไม่อยากรู้บ้าง ทำไมฉันจะต้องลุกมาอะไรคิดไม่ออกเลยว่าวันนี้จะต้องรีบเดินทางหรือไปไหนต่อไหนนะตอนนี้มันเรทหรื อ, อยังอะไรเงี้ยหรือว่ากรณีที่สามเนี่ยเอ่อก็คือว่ามีความสดชื่นเลยลืมตาปุ๊บแล้วก็เหมือนกันเด้งขึ้นมาจากที่นอนเลยนะแล้วก็สดชื่นเต็มที่เลยอันนี้ก็มีเจ้าค่ะอาจจะอาจจะน้อยหน่อยคนอาจจะไม่มีประสบการณ์อย่างงี้นะซิอาจจะ ม, มีกรณีมากกว่านี้ก็ได้นะหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ย ตื่นขึ้นมามึนๆตนื่นขึ้นมาง่วงเงาหาวนอนหรือว่าตื่นขึ้นมาสดชื่นเลยเนี่ยสิ่งที่จะจะมีแน่นอนในจิตของแต่ละคนคนที่เป็นแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยนะของแต่ละวันด้วยซ้ำเนี่ย <c oughs> ก็คือจะมี <c oughs> ความรู้สึกเกิดขึ้นนะความรู้สึกนี้คือเวทนาเนะ่เวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันจะไหลมายอยู่แค่ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจนะชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือว่าทั้งไม่ทุกข์และไม่สุข นะี่ยมี3อย่างเวทนาถนะ้คุณสนใจสุขก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็มีความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีนะีมี3อย่างสุขค่ ะ, ะทีนี้สมอย่างตรงนี้เนี่ยมากระลุงพูดถึงว่าถ้าเราเห็นความรู้สึกในใจของเราเนี่ยก่อนอันดับแรกเลยนะคนที่จ ะ, ะมีเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็รู้ว่าอตอนนี้ฉันต้องลุกละไม่ไม่ใช่นอนต่อไปอีก5นาทีแล้วกลายเป็นหลายชั่วโมง นะเราจะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีสตินะอันดับท ห, หนึ่งก่อนคุณต้องมีสติจับปุ๊บว่าเวทนานี้มันเกิดขึ้นอันนี้ต้องอาศยการอาศัยการฝึกเหมือนกันนะคุณจะต้องมีสติจับว่าเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแกเราจะเป็นเวทนานที่เป็นทุกข์กระตามแะบางทีวันนี้มันเหนื่อยมากจริงๆนะตื่นมาในจังหวะที่ผิดจังหวะแล้วก็ทํำใหเราง่วงนอนอย่างเงี้ยอพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีสติรู้แล้วว่าอ น, นี่เป็นทุกขเวทนาแตถ้าวัานไหนตื่นมาแล้วสดชื่นเลยก็ก็ดีไปคุณก็ ล, paradigm, กลกขึ้้นนนไไดเยมม่ีระะ ทีนี้พอเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าไอ้นี้เป็นทุกขเวทนาเนนะเราจรึงต้องมีความเข้าใจว่าไอ้ทุกขเวทนานี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรก่อนอันดับหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าไอ้เหตุเกิดมันเกิด อ, อะไรในเหตุเกิดมันก็คือคือผัสสะนั่นเองนะผัสสะในที่นี้คืออะไรโหมันมีความง่วงอยู่บนในหัวระหว่างตานี่มันมีการกดทับแล้วก็ขานขาเรื่มันปวดไปหมดหลังด้วยจะใช้ส่งกําลังขึ้นลูกนี้ไม่ไหวเลยอันนี้คือผัสสะทั้งสิน้น น, นี่เราต้องเข้าใจข้อที่1นึ่งข้อที่2เราต้องเข้าใจตัวความทุกข์ด้วยนะว่าความทุกข์ที่เรามีอยู่เนี่ยในเวลาที่เราง่วงเนี่ยนี่อาตมากำลังพูดถึงกรณีที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาเท่านั้นเองนะเอไเคสกรณีที่ไม่มีปัญหาเราไม่ได้พูดถึงนะ<ส>เราพูดถึงกรณีนี้มีปัญหาว่าพอเรามีความทุกข์ตรงนี้เนี่ยจะลุกไม่ลุกไม่อยากลุกตรงเนี้ยมันเริ่มมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ละพอรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ย เราเห็นดูซิว่าไอ้เจ้าความทุกเนี่ยมันมันมีหลายแง่มุมนะภูชาบอกความทุกที่เกิดจากเย่าเรือนก็มีที่อาศัยเย่าเรือนเกิดขึ้นก็มีความทุกที่ไม่อาศัยเย่าเรือนก็มีความทุกที่อาศัยเย่าเรือนเป็นยังไงอย่างเช่นเรานอนนอนเนี่ยเราจะต้องตื่นเนี่ยแล้วเราไม่อยากตื่นเนี่ยอันนี้คือความทุกที่อาศัยเย่าเรือนนคือเรามีความสุขจากการนอนอ่ะแล้วเราจะไม่ได้นอนต่อเนี่ยแหมมันทุกข์เลยเกิดอันนี้เป็นความทุกประเภทนี้ มันจะมีความทุกขจากการที่เราปล่อยวางไม่ได้อันนี้เป็นความทุกก็ก็เป็นความทุกที่ไม่อาศัยเย่อเรือนเหมือนกันนคือหมายก็ว่าสมมุติว่าเราจะปล่อยวางเนี่ยเราปล่อยวางไม่ได้่เป็นความทุกเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นความทุกที่ไม่อาศัยเย่อเรือนคือประเภทของความทุกมันก็ยังมีอยู่อถัดมาเราก็ต้องรู้ว่าผลของความทุกคืออะไรผลของเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยที่เป็นทุก์เนี่ยจะทําให้เกิดมีตัณหา แนวะต้นฐานในที่นี้คือความอยากเราอยากนะเราอยากนอนตอ่อนะเราอยากนอนตอ่อเราไม่อยากลุกขึ้นเลยตีสามตีสี่มันยังเช้าเกินไปเราจะมีความคิดอย่างนี้ชูค่ะแล้วโทษของมันคืออะไรนะต้องรู้ประโยชน์ก่อนนั้นะประโยชน์ของเจ้าความทุกข์ตรงนี้มันมีอยู่เหมือนกันนะคุณเตือนใจนะคือมันจะทําให้ถ้ามันไปเกิดกับคนที่เราไม่ชอบนะหรือไปเกิดกับคนที่เราเกลียดแหมเราจะมีความสุขกันดี สมมติคนที่เราไม่ชอบเนี่ยแหมให้มันตื่นมาแล้วมันง่วงเงียแล้วมันไม่มีความสุขแหมฉันจะดีใจอันนี้คือประโยชน์ของความทุกข์เหมือนกันนะคือคือาการที่เกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยถ้าไปเกิดปรากฏกับคนที่เราไม่ชอบเราจะดีใจนะแล้วข้อเสียของมันก็คือว่าถ้ามันมาเจอกับตัวเราเองเนี่ยโหอันนี้เป็นข้อเสียแน่นอนเห็นชัดเจนเลยฉันไม่อยากลุกฉันไม่อยากทํางานไม่อยากใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็วิธีการแก้ให้เจ้าเวทนาตรงเนี้ยนมันหายไปได้ ผูนะ้เช่ายังพูดถึงข้อเสียความันติดอันหนึ่งก็คือว่าไอ้ความทุกตรงเนี้ยมันเป็นของเกิดดับนะตอนก่อนเรานอนเราไม่มีเอ๊ะบางคืนเราก็ไม่มีถ้าไม่มันมีวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยอเจ้าค่ะทีนี้แล้วประการถัดมานะี่ยก็คือว่าวิธีการให้หลุดออกจากความทุกตรงนี้ผูนะ้เช่าก็พูดถึงเรียมารคเมงองแปดนะด้วยการเราทําความเพียนเป็นต้น ด้ยการที่เรามีความดําริชอบด้วยการที่เราละสิ่งที่เป็นอกุศนละก็จะเป็นการที่จะวางความทุกข์ตรงนี้ได้ เ, เพอเราเห็นแง่มุมตรงนี้คุณเตือนใจนะคือเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนี่ไม่ใช่เห็นคืนเดียวนะเห็นคืนเดียวแล้วคุณจะแบบว่าสดชื่นมีพลังขึ้นมาอันนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วกำลังพูดถึงกรณีนี้ว่าวันไหนที่คุณตื่นมาแล้วคุณงงเงียแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องลุกแล้วคุณก็ลุกได้โดยที่คุณก็ยังง ง, งเงี้ยอยู่นั่นแหละ ก็คือว่าเราทําอย่างนี้บ่อ ย, อ ย, อยคือหมายความว่าเราเห็นตรงเนี้บ่อยๆทุกครั้งที่คุณมีความง่วงตอนที่คุณจะตื่นเนี่ยคุณเห็นทั้งหมดนี้ไหมเห็นเกิดความดับข้อดีข้อเสียของมันเป็นต้ น, นเราไม่เห็นหรอกคุณเตือนใจนะปกติคนที่โดนความทุกข์เนี่ยนะปกติคนที่โดนความทุกข์เช่นว่าง่วงเงียง่วงไม่ตื่นเนี่ยนะก็จะมีความหลงไหลแล้วเราก็กําหนัดพัวมัวเมายึดมั่นพัวพัน์ จมปลักอยู่กับความทุกข์ก็คือจมอยู่ในความรู้สึกนั่นเองจมอยู่ในความรู้สึกที่งวงเงียะแล้วก็ฝืนอยู่ต่อไปทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะคิดยังไงอันนี้คนปกติจะเป็นเช่นนั้นก็คือเป็นทุกข์นั่นเองนะเจ้าค่ะเป็นทุกข์นั่นแหละใช่เจ้าค่ ะ, คะแล้วก็คนที่ทพิเศษนะคนที่ดีคนที่พิเศษเนี่ยก็คือจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับพระเจ้าบอกว่าผลของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือกรณีแรกเราพูดไปแล้วนะว่าจะจมปลักอยู่ในความทุกข์ก็คือจมอยู่ในความทุก นะกรณีที่2ก็คือพยายามที่จะสแสวงหาทางออกภายนอกสัก1 ห, หรือ2วิธนะีว่ามีทางแก้ไหมนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะสามารถเห็นไอ้แง่มุมที่อาตมาพูดมาเนี่ยนะตั้งแต่ตอนต้นรายการ 3-4 สแง่มุมเนี่ยได้เนี่ยนะก็ต่อเมื่อเธอเนี่ยมีสตนะิถ้าไม่งั้นเราจะตกอยู่ในกรณีแรกนะเราจะจมปลักอยู่ในความทุกข์นะคุณจะเริ่มมีแง่งออกมาแง่งที่2ว่าเอเราจะเริ่มเห็นไอ้ความรู้สึกนี้เนี่ย โดยความเป็นแง่มุมต่างๆเนี่ยก็ต่อเมื่อเธอมีสติแต่พอเริ่นตื่นมาปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บจิตเราอยู่กับลมหายใจปั๊บเลยได้ไหมโดยที่ยังอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าเอ้ร่างกายเราปวดหรือไม่ปวดมันง่วงหรือไม่ง่วงปุ๊บมาเกาะ อ, อยู่กับลมหายใจก่อนเลยโหนี้ต้องใช้การฝึกกันนะคุณตื<า>ใจยากนะเจ้าต้องต้องฝึกนะเจะตื่นมาปุ๊บเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตัวฉันจับหน้าฉันนี่มันใครเนาะ ย, ยังมีลมหายใจไหมเออมีลมหายใจปุ๊บคุณใส่สติเข้าไปเลย จับจมูกปุ๊บมีลมหายใจปุ๊บใส่สติขึ้นมาเลยใส่สติสต<ช>แล้ว ค, ค่อยมาดูว่าไอ้เราอยู่ที่ไหนทําอะไรวันนี้ต้องทําอะไรต่อไปนี่มันกี่โมงแล้วอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือตั้งสติก่อนนะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจง้าค่ะตั้งสติแล้วนะเราก็จะสติเนี่ยจะเป็นเครื่องที่พาไปสู่ความที่เราปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นพอเราจะปล่อยวางได้เนี่ยคุณต้องมีกระบวนการที่ว่าเห็นไอ้เจ้าเวทนาเนี่ยอยู่อย่างเรื่อยเรื่เห็นอย่างชัดเจนเห็นบ่อยๆเห็นซ้ําๆำเห็นยำยำ แสุดท้ายมันก็จะบอกว่าเออเราก็ยอมรับมันได้นะยอมรับว่าเออมันก็เป็นธรรมดานะบางทีเราเหนื่อยเราก็เราก็ต้องปวดบ้างอะไรบ้างนะแต่เราก็ลุกขึ้นมาได้เจ้าค่ะเอ่อทีนี้ถามว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวไหมนะพระบางองค์นี่สามปีนะอือใช่ค่ะสามปีน ะ, ะครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าสามี่ปีบางทีห้าปีนั่นแหละกว่าจะชินได้นะว่าตื่นขึ้นมาแล้วลุกเลย นะ้วก็ไม่ไม่เปลียไม่งวงเงียกว่าจะปรับตัวได้ก็ก็เป็นอย่างนั้นนะบงังบางองค์บางท่านบางรูปก็ปรับตัวได้เร็วอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านเจ้าค่ะทีนี้เท่าที่คุณรัตนวดีชุติกุลได้เขียนถามมาเนี่ยเจ้าค่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่โยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมาถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า สำหรับการรอบรู้เรื่องทุกในกรณีนี้พระอาจารย์คิดอย่างไรเมื่อสักครู่พระอาจารย์ภบยบุญก็ได้ชี้แจงแล้วนะเจ้าคะตอนนี้ก็มีประเด็นที่ว่า คิดยังไงถึงจนเบื่อหน่ายแล้วก็ปล่อยวางได้อะเจ้าค่ะรคตรงนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์เสริมนิดนึงอบอกเทคนิคสักนิดนึงเถอะเจ้าค่ะเพราะว่ายโยมเชื่อมั่นนะเจ้าค่ะว่าหลายหลายคนคงอยากจะทราบแม้แต่ตัวโยมเองก็อยากจะทราบตรงนี้<ช>เ พ, พื่อว่าเราจะได้วางจิตได้จริงๆไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากว่าเราปล่อยวางปล่อยวางอย่างที่พระาอะ า, า, า จ, จารย์อาจากก <ขอ S 1> ระฉามาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าคก็คือพอเราเห็นกระบวนการนี้แล้วนะว่าไอ้เวทนาตรงเนี้ยเราเห็นซ้ําไอ้เมื่อวานมันก็อย่างนี้ไว้เหมือนกันนะเจ้าค่ะวันนี้ ก็เป็นเหมือนกันนะเอ๊เมื่อวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วมีวันที่เราตื่นแล้วสดชื่นก็มีเอ๊วันที่เราตื่นแล้วไม่สดชื่นมันก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้ฮะนะมันมันเหมือนกันทุกวันเลยคุณตนใจเพราะมันเป็นเหมือนกันทุกวันเลยเนี่ยเราจะมีความเบื่อเบื่อในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เบื่อเซ็งนะคือเบื่อเขาเรียกว่าหน่ายพระเจ้าใช้คำว่านิพิธาคือความเบื่อหน่ายอาจะไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งเนี่ยพรอเราอยเบื่อแล้วเราก็ไปยึดสิ่งใหม่ นะเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เราก็ไปยึดโทรศัพท์เครื่องใหม่เบื่อรถคันนี้เราไปซื้อรถคันใหม่อย่างเงี้ยไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ใน<จ>ที่นี้คือเบื่อเสียงถามว่าเราจากที่เราเห็นจนกระทั่งเบื่อเซ็งเนี่ยเราเราเราทำยังไงเออทำอยังไงพระเจ้าให้ทํำยังไงนะีนะ่ยก็คือต้องเห็นเจดอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นตามที่โฆษณานะโฆษณาเนี่ยเขาออกฟีเจอร์ใหม่มาออกคุณสมบัติใหม่ๆมาเนี่ยคุณเลยเบื่อของเก่านี่นี่คือคุณตามเขาคุณตามเขาแต่ถ้าคุณตามพระพุทธเจ้า จะความเบื่อหน่ายจะเกิดได้นะไม่ใช่เบื่อเซ็งนะเขาออกรุ่นใหม่มาโฆษณายอย่างดีของเก่าเขาไม่พูดถึงอ่าเลยเบื่อเซ็งของเก่าไม่ใช่แต่เราเอาของเก่าที่เราอยู่เนี่ยแหละเราอยู่กับของเก่าเนี่ยนะเรามาเห็นเจ็ดแง่มุมอย่างที่ผู้เช้าบอกตรงนี้ในเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยเราจะมีความหน่ายนะนี่พิธายานตรงนี้จะเกิดขึ้นอืมเจ้า่ะไม่ต้องเรื่องอะไรมากเอาแค่ว่าหรือยังอาหารอย่างนี้เป็นต้นอ่ะในะถ้าคุณกินอาหารเดิมซ้ําอยู่ทุกวันทุกวันมันหน่ายนะ นะอันนี้เราเห็นใจชัดเจนใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าของเด็กเล่นนะคุณซื้อของเด็กเล่นให้เด็กคนหนึ่งมันเล่นไปเล่นไปเอา้ามันโยนตีงเราเว้ยมันเบื่อแล้นะมันเบื่อแล้ ว, นะ เ, ลวเพราะมันมันซ้ํามันย้ําไปเรื่อยๆตรงนี้แหละคือเป็นหลักการเดียวกันที่ว่าเราเห็นซ้ําเห็นย้ําทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความหน่ายเกิดขึ้นได้นะความหน่ายเกิดขึ้นได้เราเห็นเท่าไหร่ตึงจะต้องหน่ายตึงจะต้องวางได้คุณเดินใจว่าเท่าไหร่จุมว่าอันนี้ไม่สามารถกักเกณฑ์ได้เจ้าค่ะ มัน จ, จะขึ้นกว่าแต่ละคนนะเจ้า<ช>ค่ะว่าจิตจะเข้มแข็งขนาดไหนอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่อินทรีย์ของบุคคลคนนั้นไงอินทรี uh, เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะวางได้เร็วหรือวางได้ช้าอินทะรีย์นี่คืออะไรนะศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญา5้าอย่างนี้จะเป็นตัวบ่งบอกนะซ้ำอีกครั้งนึงศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาแลนะ้ถ้าคุณมีศรัทธามากวิริยะก็เข้มแข็งสติก็สูงสมาธิก็ไม่ลดละนะปัญญาก็มีคมกล้าเนี่ย โอ้โหคุณเห็นอาจจะ3 4วัน5วันปีหนึ่งสอปีคุณทําได้แต่ถ้ า, าคุณมีพระ5อย่างอินทรีย์5อย่างนิดน้อยนะโอ้โหมันก็คงหลายมีอยู่เหมือนกันนะ เ, เพราะนั้น เ, เราต้องไปเพิ่มสติเราด้วยนะเราต้องเพิ่มสมาธิเราด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตอนตื่นอย่างเดียวนะนี่ก็จะเป็นสู่ประเด็นต่อไปว่าถ้าคุณจะตื่นได้คุณไม่ใช่ว่าจะม า, าตื่นตอนที่คุณจะตื่นนะคุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนนอนด้วยซ้ํา เนะตรียมตัวตั้งแต่ก่อนนอนพระชจ้าเตรียมให้เตรียมยังไงนะคือก่อนนอนเนี่ยถ้าเราต้องการจะตื่นเวลานี้เนี่ยนะคือเราต้องมีสติษษสัมปชัญญะก่อนหลังนะก่อนนอนกําหนดไปนะว่าน้อมจิตไปเพื่อก่อนนอนเนี่ยไม่ให้บาปอคุโสธรรมทั้งหลายเนี่ยมันตามเราผู้นอนอยู่นะเพราะบาปอคุโสธรรมทั้งหลายไม่มันหลอกร้อนเราเนี่ยเราก็หลับได้เต็มที่ถูกหมใช่ค่ะพอเราหลับได้เต็มที่เนี่ยเราก็ตั้งจิตเอาไวนะ้ตั้งแต่ก่อนนอนแล้วนะว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะลุกขึ้นทันที นะจะไม่ประกอบความสุขในการเอนนอนเอนข้าขงเคลื่อหลับจะไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราตั้งใจเอาไว้นะว่าเราเป็นอย่างนีนะ้นี่คุยคุณเพิ่มความเพียรคุณเพิ่มสติคุณเพิ่มสมาธิคุณเพิ่มปัญญาของคุณแล้วนะนะคุณเชื่อฟังคําสองพระเจ้าคุณมีศรัทธาด้วยแตนะ่เพราะฉะนั้นมันมีตั้งแต่ก่อนนอนละนะเพราะก่อนนอนเราตั้งใจว่าอา้าวบาปกอกุศลธรรมอย่าตามเราไปหนะึ 1, 2, ่งสองเรารู้สึกตัวปุ๊บเราจะลุกขึ้นทันทนะีถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถ เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยคือเหนื่อยเนี่ยมันจะลดลงนะเพราะว่าจิตเราไม่มีอกุสลธรรมเนี่ยจะนอนเป็นสุกก็นอนหลับได้เต็มที่นะแล้วก็เวลาตื่นเราตั้งใจเวลาว่าเรารู้สึกตัวปุ๊บเราจะลุกเลยนะเพราะนั้นไอ้ความท้อแท้ท้อต อ, อยเหนื่อยอ่อนมันก็จะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดน ะ, ะเพราะนั้นถ้าพูดก็พูดก็คือว่าที่<ม>คุณร<ม>ัตนาวดี<ช>ถามว่าเอ๊ะเห็นยังไงถึงจะเบื่อเนะี่ก็ต้องต้องอยู่ที่อินทรีย์ของคุณ นะถ้าเราจะเปรียบเทียบไม่เข้าใจเนะี่ยอย่างเรายกตัวอย่างถึงเด็กที่เขาขับจักรยานอย่างเงี้ยฝึกขับจักรยานเนี่ยนะคุณต้นใจมันต้องมีล้มแน่นอนอามาฝึกขับจักรยานสมัยถึงเด็กเราก็ลม้ม<ร>นะเจ<ร>้าค่ะหรือว่าคุณต้องล้มก่อนถึงจะขี่เป็นนะเจ้าค่ะใช่รหรือว่าฝึกเดินอย่างเงี้ยนะฝึกเดินมันก็ลม้มล้มเผลิ่มเผลลงไปนะเด็กที่เขาฝึกเดินนะหรือว่ายน้ำเนี่ยคุณก็ต้องมีการกลืนน้ำบ่อยบ้างอะสำลักน้ําบ้างนะฝึกว่ายน้ําใหม่ๆเยถามว่าคุณต้องล้มเผลกี่ครั้ง นืถึงจะเดินได้โอ้โหถ้ามันต้องล้มพันครั้งนะแล้วมันถึงจะเดินได้คุณล้มไปสักพันหนึ่งร้อยครั้งเลย <c oughs> เพื่อดีใจให้มันเดินได้มันต้องล้มกี่ครั้งก็เท่าต้องเท่านั้นครั้งนะเพราะอะไรเพราะเพื่อเราจะต้องเดินได้ถามว่าคุณจะต้องมาเห็นอย่างนี้ยกี่ครั้งเพื่อที่จะคุณจะมีความหนายเกิดขึ้นก็ต้องเท่านั้นครั้งนะเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับมันนี่ทุกพอแรงแล้วนะ เราอยู่กับมันนี่ทุกพอแรงแล้วแ้วถามว่าถ้าคุณไม่เห็นไม่พยายามที่จะปล่อยวางมันคุณต้องทำนะคุณทำํำคุณถึงจะปล่อยวางได้สิ่งที่ได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันสักทีจุคานะต้องทํำเท่าไหร่ครั้งก็เท่านั้นครั้งแหละจุคานะต้องเห็นกี่รอบก็ต้องทำนั้นรอบจะเร็วหรือจะช้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเรานะเราจะทําได้ตรงนี้ อืมเจ้าค่ะอันนี้คิดว่าคุณรัตนปดีท่านผู้ถามมานะคะรวมทั้งท่มาฟังาทางบ้านด้วยเนี่ยเดินคิดว่ารวมทั้งผู้จัดรายการด้วยเนี่ยนะคะได้ความรู้อย่างมากทีเดียวค่ะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์ไพบุอภิปุโนของเรานี่ mm hmm. ท่านได้เมตตาสากฉามานะคะขอนำจาก คำถามของคุณรัตนบดีชุติกุลนั้นไปสู่คำถามของท่านผู้ชายนามว่านิปุณะนะคะก็ถามมาในเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็คิดว่าเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งเห็นข้อดีหรือว่าเริ่มมีศรัทธาประสาทะที่จะมานั่งสมาธิคุณนิปุณนะถามมาว่านั่งสมาธิแล้วไม่เกิดความสุขเลยมีแต่ความวางเฉย ก็เลยทําให้ไม่อยากนั่งเลยก oh. บเปลียนถามพระอาจารย์มาเจ้าค่ะว่ามีวิธีแก้อย่างไรเจ้าค่ะนมำสการเ อ, อขอกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะเออคือนั่งสมาธิเนี่ยเนี่ยคือปัญหาของของคนที่นั่งสมาธิอาจจะมีความคิดว่ามันต้องมีความสุขห ว, วือหวาวูบวาบนะเหมือนลอยขึ้นเหมือนตกลงเห็นแสงเห็นสวรรค์นรกอะไรพวกนี้อนะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจอ ย, อย่างนี้ เฉยๆพอเรานั่งไปนั่ไมอ้าวทำไมเรามีแต่เฉยๆอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเออพอมีแต่เฉยๆไม่เห็นมีอะไรมันก็เลยเริ่มสูงว่าฉันจะนั่งไปทำไมเนี่ยนั่งหลับตาดูหนังตาเฉยๆสู้ไปดู <c oughs> ไปดูทีวี ด, TV ดูหนังดีกว่าเนาะดูโรงภาพ ย, ยนตร์อย่างเงี้ยเนี่ยมันนั่งเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็จึงต้องทําความเข้าใจให้ถูกว่าไอ้ที่นั่งที่นั่งเนี่ยคุณต้องเห็นอะไรแต่นะพระเจ้าให้เห็นนะเห็นอะไรเออนั่งเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งให้เป็นหัวตอโดเดแล้วก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้เราต้องเห็น เราต้องเห็นตามที่เป็นจริงคุณเดอนใจนั่งสมาธิเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงถ้าคุณเห็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เห็นตามที่เป็นจริงนะคุณเสียเวลาเหมือนกันคุณไปเห็นสวรรค์นรกคุณก็เสียเวลาไปเที่ยวนะลหลงไหลเพลิดเพลินไปตามสิ่งนั้นแตนะ่คุณไปเห็นเรื่องอดีตอนาคตแตนะ่คุณก็ลหลงไหลเพลิดเพลินเขาเรียกว่าเสียเวลาเพลินไปตามสิ่งนั้นแตเพราะเราเห็นอะดีตอนาคตสวรรค์นรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงก็แหล อาจจะจินตนาการขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ฝันกลางวันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องเห็นเนี่ยคือเห็นตามที่เป็นจริงถามวําคำว่าเห็นที่เป็นจริงตามที่เป็นจริงนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมว่าท่านผู้ฟังอยากทราบกันมากเลยเจ้าค่ะก็อย่างที่บอกเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยก็คือเห็นความทุกข์นั่นเองเราอยู่กับความทุกข์นะคุณเดินใจนะที่สุขที่สุขเนี่ยมันไม่ได้สุขจตลอดการที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นคือความทุกข์คุณเห็นตรงนี้ไหม นะที่เราบอกว่าเวลาที่เราตื่นมามีความรู้สึกเกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยแล้วเราเห็นเจ็ดแง่มุมนี่ไหมที่คุณต้องเห็นเนี่ยคือคุณต้องเห็นเจ็ดแง่มุมนี้7็แง่มุมมีอะไรบ้างเจ้าค่ะย้ําอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวมันเองเป็นยังไงเจ้าค่ะตัวมันเองเป็นยังไงเหตุเกิดของมันคืออะไรนะผลของมันคืออะไรนะสา ม, มานะแล้วข้อดีของมันคืออะไรสี่นะห้าข้อเสียของมันคืออะไรเจ้าค่ะหนะวิธีการนําออกของมันนําออกจากข้อเสียของมันคืออะไร แล้วเราก็ข้อที่7ก็คือประมาณต่างๆของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะเจ็อย่างเนี้ยถ้าเราเห็นเจอย่างเนี้ยก็คือเหมือนเรื่องการระดับที่เรายกตัวอย่างตั้งแต่ต้นรายการว่าคุณเห็นเห็นตรงนั้นไหมถ้าคุณเห็นคุณก็สามารถเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงแล้ะเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้บางทีเราต้องเห็นบ่อยๆผลของการเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ไงอย่างที่ที่เรายกตัวอย่างถึงเด็กคุณต้องล้มกี่ครั้งคุณถึงจะเดินได้เนี่ยก็คือคุณต้องเห็นตรงนี้บ่อยๆ ดังนั้นอาการที่เราเห็นแบบมีแต่ความนิ่งเฉยเนี่ยคุณเห็นไหมตรงนั้นเน่ยไอ้นิ่งเฉยเนี่ยเหตุเกิดจากอะไรนะผลของความนิ่งเฉยคืออะไรตัวความนิ่งเฉยมีกี่แบบคุณรู้ไหนะประโยชน์ของความนิ่งเฉยคืออะไรโทษของความนิ่งเฉยคืออะไรแล้ววิธีการนําออกจากความนิ่งเฉยตรงนั้นเนี่ยคืออะไระถ้าเราเห็นตรงนี้โอ้โหนั่นดีม า, มากๆเลยคุณประสบ <Okay. S 1> ความสําเร็จในการนั่งสมาธิครั้งนั้นแล้วอืมจุกค่ะจุกค่ะ ดีกว่าการที่ว่าเราจะไปนึกคิดจินตนาการคิดว่าจะต้องเห็นอย่างนู้นอย่างงี้หรือตัวลอยตัวเบาอะไรใช่ไหมเจ้าคะ่ะ น, นั้นคนละเรื่องแลเ<ะ>จ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะก็เหลือเวลาในรายการอีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะเจ้าคะขอความเมตตาพระอาจารย์ใบบุญโนพิปโนได้เมตตาที่จะฝากแง่คิดฝากท้ายในการสนทนาในเช้าวันนี้เลยเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยที่จะขอทบทวนด้วยคําถามคุณนิบุณานะที่ว่าเรานั่งเนียวเราดีแล้วเราทําความเพี่ยนนะในขณะที่เราทําความเพียนเนี่ย ความเพียรในระบบที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยก็คือว่าให้เรามารับรู้เรื่องทุก็คือให้ยอมรับเนี่ยว่าทุกมันมีอยู่แล้วยอมรับลักษณะของความทุกข์ว่ามันเป็นยังไงยังไงพอเรายอมรับแล้วเนี่ยเราจะมุ่งไปข้างหน้าได้พุ่งไปข้างหน้าได้ปล่อยวางตรงนี้ได้นั่นเอง อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนะพระอาจารย์ อ, าาองค์ปาถกประจํารายการอธรรมาราปรรุลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งวัดป่าดอนหายโศกนะคะท่านได้เมตตาที่จะมาตอบคําถามของท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะค ะ, ะเวลารายการหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องลาอท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้เราจะนำท่านผู้ฟังนะคะกลับมารับฟัง พระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนโท่านได้เมตตาที่จะสักษาหรือสนทนาธรรมะในประเด็นที่น่าสนใจใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะค ะ, ะพบกันตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะสําหรับในเช้าวันนี้ก็เรามากราบน้ำสการขอพระคุณอย่างสูงและกราบน้ำสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตโภพโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮสุกพร้อมกันนะคะกราบน้ำสการขอพระคุณและกราบน้ำสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญผ่านสาธุเจ้าค่ะ